เ, เป็นส่วนี่เาไปเป็นพิธีเรงพวเื่อดูเลือนามยามดีเป็นเครื่องาของคังนะอย่ามานืนกับป่ามานนะเครื่องรางของังเ น, นเอนนสโดเขาไหว้ผ่านาี่คือจุดพุจุดเทียนนี่คะ่ะอันนี้เป็นวิธีคำสมุติสืดถ้าพูดแล้วเขาติดสมุดเขาติดสมุิมาหลาย หลายร้อยปีเพราะว่าเทพมูเพื่อ น, ปป น, นุุดนี่แหะตัวของอตาตมาเองคนติดสมุิทำไมจึงติดสมุิทำบุญแล้วก็ต้องมีดอกไม้มีโูปมีเทียนมีขันหาบ้านอาตมาเป็เมื่ออาตมา ย, ยังเป็นอนรวาสมีข 8, 9, นันห้าอันแปดขันสิบสองแต่ปุสาพระตุรูปและบ ร, รุจักคนหมายอันนี้ให้ตามตามกันมาเื้นอนนี้ก็ดีโย โมนั้นก็ดีเป็นศาสนาสอนเด็กน้อยอผมเปมนสวนผู้ใหญ่เอาเธอศาสนาพุทธในบุคคลที่จิตเป็นเด็กน้อยคนที่เป็นผู้ใหญ่ลุกหน้าอ้าวหน้าขึ้นไปดังนั้นวันนี้ที่จะได้เราให้เพื่อนภิกษุสมนเณนีและญาติโยมฟังนี้โมแม่ยนี้มาทําลายว่าให้เลิกมาจากทีทสิโทตันบดีเดียวกันอยากเข้าใจผิดเท่าไหร และสอนให้มีปัญญาซื่อว่ามีปัญญายัางที่เราเอาดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปนี้ตอนแรงอหัศมาเป็นเด็กน้อยพ่อเคยสอนแม่เคยสอนต้องเด็กดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปเมื่อแรกแล้วคลายนำ้ำเมื่อเส้าก็ต้องเข้าไปบูชาพระพุทธรูปบ้านมีมีพระพุทธรูปแล้วก็มีทีเทวดาบ้านมหัศมาทั้งเทวดากับทั้งพระพุทธรูปก็อยู่ใ น, น, นลำการันตะเพื่อสอนอย่างสันพรม แล้วก็เติด Menschen, <S <S <an> <S แล้วเอาเข้าไปปูซาเพระพระธนเพระกับภกินจ้าเถือปูชาการเมื่อแรงมาก็เอาไปที้บกระแหงแมวกินกระบได้เอาไปทิ้คกินกรบบอยากกินนี่มันแค่เห็นแต่เฮ็ดจสันมาตัดดีด้วยนะเนี่ยแล้วคัมภีร์ก็จับคมมาแล้วเอาเข้าไปปูชาเป็นางสัมปันนี้เอาอกไม่ไปปูซาเมื่อแรงมาแล้วคัมภรเห็นเป็นว่าอยางให้โบสดเจ้าเือเหมือนจะไปเที่ยวเมื่อคืนเนื้อโสดแ่ ตักตั้งใจตักน้ำถกบ้านเขาโบาสอนจักเถื่อนอันาพาคุณลูกกับบุษยนิยมสารจะเป็นกับโบสอนจักเถื่ อ, อนนี้เสื้อเขาเห็นน้ำพอน้ำเมลเขาสวนดีดีโย่พ่อแม่เขานี่ลงบอเข้าใจก็กานทำยันหน้าบอเข้าใจพ่อแม่ เ, เขาเนี่หน้าที่ที่จะสอนเขาอย่างพอออกไม่ออกหรือเพื่อนพิสุทธิ์สมณีอยู่ที่นี่ก็าตามต้องควรที่จะไปสอนเขาจะเป็นเรื่องสมมติ จุดทบกุดเทียนมันนเป็นเรื่องสมบเมื่อสวยเหากระใต้ไฟอยู่นี่และมันมืดอพราะเรื่อมันแกงไฟนวยกบเพื่อ่าซ่องทางและเมื่อสวยอากระใต้โยมกัน ท, ที่ดีที่เราไปเทศบนมหาสารบนไปจำปีคะนถ้าอนังอยห์ธรรมะโยธรรมาคือยังอย่อ า, ยออย า, อยาพอนัง น, นี่แหละล้วออกพอออกไปปูส า, ศาศดอกไม้แล้วก็จุดเพียนหันจุดทบอยู่หันจะพากนพันทับจะพากันนั่งฟังเทศ ภารุเทรกับควรกับปารุฮอนกับปานันจะเอาขันทันระบัดไปวีให้กันโยธะแล้วกาให้โันมันได้ประโยชน์อันไหนอันนี้ซื่อว่าเบาสัสลาเขาโง่กับว่ามร์เขาโง่แล้วก็จีเครียบดบดเคียดอกไว้ฝั่งซื่อเขาจะต้อไปเห็นทัวเอง มันบได้ยดอกไม้กีมันพอมันตายง่ายเหมือนกันค่ดอกไม้ใบไม้ที่มันซุบมันเย็นยินมแย้มแจ่ใส่หน้าดูหน้าสมเหมือนสอนลูกสอนหนาเด็กน้อยมันจะข้ามเขาไปปูสาดอกไม้เมื่อแล้วเขาโพสอยจากเพื่อนมีแต่ไหวพาเอาบุญดีแล้วอเอาบุญนั่นก็ดีอยู่แล้วแต่เขาโสดสนับมันเป็นคนที่ดีของคนสมัยนั้นสนาบสอนลูกสอนหนคือซื่อๆดีนะวันนี้เมื่อเขาเข้าไปบูสาดอก ปุชาเขาเพื่อเขาเขบอกเขาให้ขยันขังแขงทาการทางานมีเขากินใครไปุา พ, พุตตุลกหมดซื้อเพื่อนบกินทั้งเขาได้พรพุตตุลกุกินแล้วโม่เพื่อนติ๊กสุสมัมนนตลอดยาโยมผู้ที่เคยได้บว ก, กรจนได้เพื่นกินจากเค ร, รือปุตุลกบกินเอาไปที่ไนฮะมันหมดมันทาให้สิ้เปืองไปเขาซออนังโดยที่บ่รู้สึก เจ้าสอ น, นด้วยสติปัญญาจะแท้ได้ไม่ออกพอออกเพื่อนพิสุเสมาณีณเพราะว่าดุกนั่งมันเฮ็ดกันมาแล้วอันนั้นมันเฮ็ดมาก้อนแล้วก็ืัอไหร่ทําพระลายพระพุทธเจ้าเป็นสลาร์พระบุตรทลายเพรนสอนให้มาดีกว่านั้นานปูซาอ้อนวนพวงศวนนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนปูซาดอกไม้อ้อนรอนเทวดาบวงสรวนมีมาก่อนวัไนี้ขันสอนของพระพุทธเจ้า แค่เพื่อนวดทำลายเพื่อนสอนให้คนทําดีขึ้นไปคนนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสมมุติเอาดอกไม้มาปูซาทับกุฏิรูปนี่ก็เพื่อก็สอนให้มันดีขึ้นทพบสามเล่มจุดตรงไปเพื่อนหยัง่งไฟเทียนสองเล่มจุดตรงไปเพื่อนหยัง่งเขาเฮึดซื้อเขาบูจักเขาไม่ไดใ้ใช้สติปัญญาเมื่อนี้ให้พวกเขาพิจารณาเาเองแล้วก็เชื่อโดยเหตุผลทูบสามเล่มจุดตรงไปเพื่อนหยัง่ง เพื่อว่ามันหอมโพลเป็นบนอกคันทาสวนมันเหมินคือทําดีด้วยกายหนึ่งพูดดีดีเนี้อใจก็ต้องคิดดีสามเล่มนั่นคือกายอันนึงวาจาอันนึ่งใจอันนึงทําให้มันดีมันหอมคันคนทําดีพูดดีคิดดีเพื่นถามว่าลูกผู้ใดหลานผู้ใดตระกูลใดมันหอมวันนี้มันส่วมันก็หมินอันมันเหมินเพราะคันทาบุญดี มันบุดีมันลูกผู้ใดลานผู้ใดตระกูลใดแมันบุดีมันเหนินเพื่อนสอนทั้งสันแต่เฮาก็เลยบุได้เข้าใจญ่ดินี่สอนว่ า, าจะเอาบุญอะไรนดีแล้วนะเอาบุญแต่เขาเขาบุญเขาจับบุญคนบุญเขาจับบุญมันช่เอาบุญในบอกมันต้องเูาจักบุญในแทไ้ได้ที่เอาใดได้ที่ให้ฟังนี่วันนี้เทียนสองเล่มนะจุดเพื่ออย่งเพื่อตาเขานี่เห็นคนทําดีคนพูดดีคนคิดดีเทียนส อ, นเนนเอนงเล่มก็มาทางตาเขานี่แล้ว พอเห็นเนี่ยพย่างไปพย่างมาบู้สนหลักสนต่อคันเมื่อคืนนะคันเมื่อสวยได้กาเห็นคนทําดีทํำสู้เห็นเพื่อนมาให้ถึงสอนถึงสังเอากระโเห็นซะเอาก็เอาบุญซะนี่อ่านบุญนะผู้ใดเห็นจะเขื่อได้เกิดมานนี่ทำบุนทุกคนเป็นบระยู่เนี่ยเป็นบอกเออแล้วเห็นจากเชื่อเห็นบุญคนผูเห็นบุญไม่ใช่เอาบุญได้บอกมันต้องเห็นบุญนอย่งเอาบุญด้เนีคนผูเห็นบุญเอาบุญผู้เป็น หลายังนี่คนเห็นบุญจึงเอาบุญเป็นบุญคือยันชนบุญนั่นคือการทําดีพุดดีอิดดีอันนั้นบุญเปลือกหนึ่งเ <c oughs> มื่อพูดถึงเปลือกนี้ก็จิถามพอออกว่านหน่อกรุงเขาเนี่ยหนอกรุงมาโคกกรุงโคกกรุงเนี่ยคือเฮ็ด น, นาเฮ็ด น, นาแล้วเขาต่อเขาเปลือกไปว่านลงกลางนาเอาแล้วเป็นหน่อ้าขึ้นมาเป็นห น, อน่อ้าคือมาขอ เ, เขาก็ไปถอนจากอ้าไปดำนายอยีกตัวหนึ่ง แล้วก็ทายเอาคุยไปคาดไปทายขึ้นมาให้เป็นตุมเป็นเลนเป็นปักดมดวงไสตอนนี้เขาปักดำดวงใสต่อไปมันเข้าเป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมานะคงับมารหนึ่งกับโค้งแตกขึ้นมาเมื่อโค้งมันแตกขึ้นมาก็เป็นเขาแก่เขาแก่แล้วก็ไปเกลี่ยไปเกาะออกมาเนี่ยแล้เขาเปื้อกเป็นบอลเป็นพันแล้วเขาเคยกินฟางเป็นบอกินพวปีนฟางก็ให้โงูให้หวยกินอยู่ในทงให้ทงนานะ รินข้าวเปลือกเป็นบ่อกินโมเป็นข้าวเปลือกกำลังข่าคอก็กินบัได้รินข้าวสาบเป็นบ่อบัวได้กินข้าวสาบกับเป็นฟกเป็นบวมกินข้าวเนั้อกินข้าวสุกคืจกินข้าวสุกข้าวเปลือกเกี่ยวเฮเน้อเทิยมสะเป็นเนื้อสินบ่อทิยมบัวได้ปีหน้ากินบัมีข้าวปลูกให้ซื้ออีกเติมดังนั้นเปิ้ลอยากบอกให้เทียมข้าวเปลือกกินข้าวสุกเพิ่มไปกินข้าวเปลือกดังนั้นเฮ็ดบุญเนี่ยเขาเอาแต่บุญเอาแต่บุญเดียวเนี่ย เขาลงมากจัดบุ ญ, บญอันบุญนั้นดีเราได้เขาเห็นกันแต่เขาบรู้จัดสุดๆอันนี้แหละที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้เรียกว่ามาเจริญปัญญาเจรินนี้ปรัชนาที่เป็นการเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นให้หูแจ้งเห็นจริงเพื่อนว่าก้อนที่จะเกิดที่มีที่หูแจ้งเห็นจริงนั้นต้องอาศัยจากผูบาจาผู้รู้มาบอกให้ฟังเพื่นอนเพื่อนมารู้จัก สื่อเป็นเอื้นวสุตะมัจจัญญาอินตะมัญจัญญาภาวนามัจจัญญาอนั้นตัวหนังสือเว้าเขาก็เข้าใจไว้ตัวหนังสือก็เข้าใจไว้เตยอย่าสุดไปเอาตัวหนังสือมาเป็นเกณมาเอื่นไปนั่นนั้นเขาเปื้อนนี่มันกินบนไหนเตียวทิ่มบนไหนการทําบุญนี่ก็คือกันทํานั่นดีแล้วแต่อย่าสุดทิ้งแติติดบุญอยู่ขั้บนไหเด็เป็นควยล้มตมล้มโพงตายจมกับตมมันตายอยู่พันเดียว หอยร่นตมนั่นมันยั่นเทาอยู่ที่เข่ามันเลยเป็นสนมจมเขา้าจมเ ข, าข้าควรนหนักเนี่ยจมเขา้าจมเข้าก็เลยออกจากตมบุได้ก็เลยตายขาตมมันบ้านเนี่ยพอเรียกว่าหอยรมโพกเหอนกั น, น, นของบุได้เลยตายเขาก็คือกันเมื่อเขาไปติดบุญกิจตายอยู่ขาบุนนี่แหละเพระเอิญอุปทานนะะรับไปติดเท่าสิติดบุญติดศิลเป็นอุ ป, าออาปทนนนปนปานเมื่ที่สุดติดคนสงบต้องการอุปทานพระพุทธเจ้าเป็นสอนอย่างนั้น แล้วของเขามาเมื่อเนี่ยยพ่อถือโอกาสถือเวลามาว่าให้ฟังตามความเข้าใจความเข้าใจย่าพ่อเป็นทังทั้งต่อมาเมื่อย่าพ่อไปเจริญปัญญาเนี่ยพ่อเห็นว่าโอ้สิ่งสมมุตินี้บุคคลที่จิตปิแล้วก็บุคคลที่จะไปทําลายเอาไว้ให้คนผู้ที่ผู้ผู้จักนั้นไปปฏิบัติแบบอันนั้นัฮนคนสลากต้นนีจ้จักฮะได้ขบวทตถิ์หิ้งได้ขบวเอาเฮ็ุซื้อ เฮ็ดบุญ น, นี่เฮ็ดซื้อๆได้ให้เป็นการอนุขอ้อส่งข้อคันซื้อๆเฮ็ดบุญ น, นี่ก็ไม่ใ็่เอาบุญ น, น, คาา น, น, นะคันว่าตามใจอย่างขอนี่เนาะคันนีว่าตามใจูวกต้องเฮ็ดเอาบุญ น, นะคะันว่าเอาบุญที่เฮ็ดี้ยังปฏิว่าฮงเนยยียนยูกูอย่างสัญญาพอก็คืขอขันตะกอนเฮ็ดแล้วก็อยากได้บุญอยากได้บุญนี่กว่าเอาเดี๋ยวนี้ต้องตายได้ยังเอาเป็นสัญญาขัตะกอนนี่าตายแล้วต้องให้ข้าแต่จะได้เกิดเมืองสวรรค์ไปมีฐานอยู่พุนนี่น เดีย๋ยนี้นี่พอออกไม่ออกตลอดเพื่อนภิกษุสัมมาเรนน์อาจจะคิจอย่างนั้นก็ได้ไม่นั้งเตียงารเข้าใจบมทุกแล้วโมทุกตามพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เอาเอาเดี๋ยวนี้สวัสนิภาพเอาเดี๋ยวนี้อยากสุดเอาตัวเมื่อตายแล้วถ้าพอออกไม่ออกเนีเพื่อนภิกษุสัมมาเรนทุกคนนี่ทวาอยู่เนี่ยถ้าต้องอาสวัสดิภาพหลังจากการตายดังนั้น ไปเฮ็ดเพจบุญหลายๆซะไปเฮ็ดตายไปไว้ซะสินวอตายไปไว้เขาิได้ไปเมืองสวัสดิ์อิปานสนวะคันบอกให้ตายไปไว้เพราะบุอยากไปทเดี๋ยวนี้นี่บุอยากตายในเมือเนาะเจ็บหัวปวดท้องก็ไปหาหมอเอายามารักษาเนี่ยของบุอยากตายแล้วเอาที่ไปป้าถนาเอาท่นกับบถูกแล้วพิดเรื่อนี้แค่คนปิดอันนี้ไปสอนกับคนปุ๊งโง่เละสอนมาคับสอนมาแล้วคัจะบอกว่าทีเดียวมันกับบได้มันต้องมาหลายเทือ เขาเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเพิ่นตัตตลูปเป็นพระอรหันต์เพื่นได้เนี่ยานและเพิ่นยังสอนเรื่องเนี่ยผานสอนแต่เมื่อยังมีชีวิตเป็นเปีนจะให้คนได้ฟังคนจํานวนนั่งก็เลยได้รู้จักสวรรค์รู้จักเนี่ยานก็เลยไปสวรรค์ไปเนี่ยานกับพระพุทธเจ้าก็มาเขาได้ทําบุญทำกองตันถิ่น ท, ทาบวชนาหรือสร้างโบสถ์สร้างสิส่งสราอังพอเรียนก็คือกันเขา่เอาเดียวนี่เขาตายแล้วเขายังเอา อันนี้ก็ยังเป็นการให้ข้อคิดโบไม่ห้ามเน๊ะให้เหตุไปแระว่าให้เข้าใจในคติทั้งนั้นขัาท่ามูพอออกไม่ออกและเพื่อนภิกษุ ส, สมเด็จจะเข้าใจอย่างสั้นกระดีโยูตัวของอาตมาเองก็เข้าใจอย่างสัตย์กรเมื่อไปจเจริญสติจเจริญปัญญาที่โบเมีนเสร็จเขาเลยกลับหน้ามือเป็นเริงมืออันนั้นเป็นสมมุติซื้อเป็นสมมุติว่าคนบกหู่นยกเมื่อเว่าถึงคนบกหุ่นยาก นี่กลับมาวางกับเรื่องสังขารยาณาครั้งที่หนึ่งกระได้พระบริเจ้าตายปกิมือได้นนิมีพิกษุองค์หนึ่งจ่วงจาต่อพระธรรมวินยัยพิกษุหลวงพ่อวัชรบุดเมื่อแก่เป็นคนเกลียดฮางว่เอาไหนเลยเลยบุได้รู้มังพุทธนิพานนะเพื่อนพิญางเลยจ่วงจาตต่อพระธรรมวินยัยเลยได้ทําสังขารยานาขึ้นครั้งที่หนึ่งนี่วันนี้พระบริเจ้าตายไปได้สี่รอยห้าสิบปีแล้ว ยังมาสังขัญนาคที่ห้าอัสังขัญนาคที่ห้านี่จกว่าเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรของโมหะจักเนี่ยบัดนี้คิดถามโมโหออกกันไดเอาถักเน้นนี่ยอนี้จากปีเนี่สิบหกปีนี้พอจะสอนเรื่องอะไรจะให้เจ้าสอนไปหน่อยมแม่ได้ยังบ่ม่มีบ่แล้วเพิ่งสอนอะไเจ้าได้ไหมเจ้า จำได้บะเนีอายุสิบหกปีแล้จะยังจำบอดายเรีบร้อนนยไให้เขาพิจารณาจริงๆอันนี้อันนี้สี่ร้อยห้าสิบปีเราจะได้เขียนเป็นละลักอักษรไว้แด้กี่ผิดกี่ถูกข์เขาก็ประทุจได้เป็นคดีส่วนดีมีมามันเขียนไวน้ในคะแนนเขาจะไปเสื้อเอาหมดกับบอดายบางทีอาจจะเป็นพุทธส่อย่างเอาธรรมดานี้ตีความหมายใส่ปันจุลงไปว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าขเขาก็ไปเสื้อเอาหมดกับบอดา ยามพ่อเลยเข้าใจโอ้คำสอนเหล่านี้บางทีผมไม่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไดบรรจุลงไปว่าเม่นพระบาเรียพระุทธเจ้าสอนทางการธรมีโอ้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญให้ทานเป็นกรณีอันนั้นเป็นเรื่องของเขาจะสอนขมัดต่ก่อนพ้นแล้วเมื่อวานยังซีกันให้ไม่ออกพอออกและเพื่อนพิสูจสมนเนิฟังอีกเติมเสนอเอาไปคิดอย่าเสือเ้อเถื่อ เมื่อพระบรมเจ้าของเขานี่สมัยบวชออกไปให็ไม้ได้นรอบสมณะเพศอาจารย์เมื่อก็เห็นมาก่อนแล้วเป็นบอพอกนี่บุญแม่พระบรมเจ้าปัญญาในเรื่องบวชนี่ก็มีมาก่อนแล้วก็เลิ่มบวชตามเขาไปศึกษากับอาจารย์สองอาจารย์เื้ออาลาดาบทุนอาลาดาบที่มาก่อนได้สมบัตเต็เนาะเอออันนั้นกระบวะนที่คำสอนของพระบรมเจ้าเนี ตอนมาอดเข้าอดน้ำ น, นี่กับวันนี้คำสอนของพระพรุทธเจ้าว่นนี้เทเทเมพระอุทแล้วเขายังค็ดพอปานนั้นเนื่องจากว่าเขานี่ยังได้ถืออุทธศาสนาอย่างถูกต้องเขายังคิดแนวอื่นผุนหลายเมือม่อนี้จึงเป็นการเตือนจิตสะติกใจของญาติโยมและเพื่อนภิกษุสมณีทุกท่านนั่นแหละพระพรุทธเจ้าตัดทะลุเพราะการทำทางจิตทางใจเทเทเทนี่เขาเคยเบิกใจมาจากเธอเพราเกิดมาเนี่ย บ่เคยเบื่งแล้วเนี่บยบ่เคยเบิ่อคิดเบื่อใจที่ว่าแม่เขาได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบอกบ่แม่เขาปฏิบัติตามผู้อื่นมายจึงบุรุษคือพระพุทธเจ้านั่นแหละตอนที่พระพุทเจ้าได้ตรัสลู่นี่เขาได้ยินวาน่าเอาขาดนางสสดาเอาทา่าไปอธิษฐานตามแม่น้อย่างที่เขาอยู่เอาตะเกียงคอนี่ก็ไปหาซ่องสามหมอนี่ไปรอม Pot, like, ไปนทนกษตรขนาดต้นน้ำพ well ุนเดอร์ยหกพอัถ้าขาพากีบตายให้ขันไปนิไหลไปตามกระแสของน้าออกไปทางพุนและน้ำซีพุนเเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำซีุเดอร์ระวังขันลงไปแล้วขันมันก็ไหลขึ้นป่าต้นน้ําบอมันต้องไหลไปาน้าซีพุนจะเทเป็นบ่แล้วเขากระต้นตายในเทเป็นบ่เออขันนี้แหละเขาเข้าใจผิดตีขมไมบออที่หนมาเล่าให้ฟังนี่พ่แม่กีว่ามาก้าวโกหกอย่ง การทวนกระแสะของน้ำนั่นหมายถึงพระประเจ้าเพิ่นเฮต์อันอื่นมาเมื่แล้วยังไม่ได้คิดในทางจิตทางใจดีหล่ะเน้อจิตหลอนเบื่อคนน่าเปิ้นทหารเข้ามาพิจารณาเรื่องชีวิตจิตใจของเพิ่นมันคิดเพิน่นไดเป็นตามความคิดมันคิดอะไรเพิ่นให้เป็นตามเพิ่นคอยเบื่อความคิดเพิ่นเพิ่นเลยรู้แจ้งเหตุจริงเลยได้ตัดสินเป็นพระพุรณเจ้า เอาเนี่ยโบเมนน้ำซันเขานั่ซื้อว่าเอาขันเอาธาตนั้นไปวางไว้ในน้าว่าอธิทฐานตากเข็ดปักอย่างที่เจ้าโบเมนไม่คิดตากเข็ดปากยาำได้จังไงอันนั้นคือเพื่อทวนกระแสของขมคิดทีซื้อนี่นะอนค์ขมคิดจะเบิ่นน้ำงวงน้ําคือกิเลสเหมือนว่าท่นมันโตขมคิดเขานั้นโบในิกิเลสเนีองคกิเลสนั่นคือเขาโบได้เบิ่งมันคือมันคิดออกมาเขาโบได้เห็นขมคิด มันคิดแต่ความคดเป็นหนังความคิดโล่ก่เรนกินเล น, นี่แหละตัวบาปอ่ะอุปยูกายตลยจิวให้ฟังในหนักโซดนักธรรมเนตีเพื่นสอนเอาไว้ว่าทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเฮรี่ขมละอายเก่ใจเลยนี่ยเขาบุญละอายเก่ใจเขาดเดี๋ยวนี้เนี่เขาละอายเก่พักเก่พวกเ ก, ก่บุคขนพนนนนุนเนโบนเนให้ละอายแก่ใจเฮานี่โอตะปะควมเกงกลัวตัวบาป ยูใสมันก็เป็นตนวว่เป็นโตโต้บ้าคือโตเฮานี่แหละโต้บาาคือโตเฮานี่ทำไมว่าโตเฮาเลยไปทำโซ่พูดโซ่เพราเขาไม่ได้เบ่งความคิดมันคิดขึ้นมาวูบเดียวเนเ้อคิดไปลดคือเขาุูดคนเกษตรของความคิดนี่แหละเป็นรากเงาของอกุศนทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาน้่าให้ฝั่งนี้รากเงาของอกุศนทั้งหลายทั้งปวงคือโทสัโมฮาโลพา แด้ความจริงแล้วโทสะโมหะโลภานั้นมันก็ได้มีอยู่ที่เขาแล้วเขาว่าเอามีโทสะโมหะโลภ์เนื่องจากครูบาอาจารย์และพ่อแม่เขาสอนเข้ามาว่าเอามีโทสะโมหะโลภ์สัญบูรณ์บ่มีเนื่องจากเขาบเห็นความคิดเขานี่แหละมันมีขึ้นมาพราะเขาบเห็นเดี๋ยวนี้นี่มีบ่สโทสะโมหะโลภายืนเข า, า, า, านี่มีมบม่สบ่มีนั่งอยู่ซื่อๆอันเนี้ยจิตใจสบายอยู่ซื่อ จิตใจหลักษณะนี้ได้มีอยู่บนได้แปลี่ยนไหมมันบ่หรือมูจะไปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่นสิบบ่มันเป็นเองมันบ่หรออันนี้หลยมันเป็นเองแล้วเหมือนทุกคนแล้วทางจิตใจเขาชีวิตจิตใจของของเขาเป็นอั่างสิเละมื่อสุคนเพราะว่าผู้น้อยบ่ผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นผ้าเป็นเนีนขึ้นซื่อว่าคนเราเป็นอยางสิเมื่อสุกคนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษเป็นขนมา่ มันเป็นธรรมาติมันทาอันนั้นเป็นอซีแหละันมาธรรมอันเกิดก่อนพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็เลยคนพบโอ้จิตใจของคนมันเป็นอังซีแล้วเด้มันมีอัซีแล้วเด้กูไปซอกหาบุญนั้นโบมีอันเด้บุญมันแล้วโบได้มีเด้บุญคือกูเห็นซีวิสจิตใจกูนี่เด้บุนเดวาาเหนสัโอ้เนี่ยแล้วเขาก็มีแล้วซีรีส์จิตใจของของเขาเป็นอย่าง เยกสมมุติให้ฟังขาเจ้าข้าเหนียวมันอ้วนมันเต็มเอาไปว่านลงกลางนาเขาเปันสุมมาเยน็นออกนอกเมื่อถูกนิดโบเมนเข้าเจ้าโบออกเข้าเหนียวโบออกโบเมอเนอย่างสุดอกคื อ, อกันโบเมนกินข้าเหนียว อ, ออกเข้าเจ้าโบออกกับโบเมนอันรูธรรมะแบบนี้บวกกับหู้บบวกกับหูเธอศาสน า, าแต่กับหูมู้ดแ ท, ท่ทําอันนี้แหละทาให้เป็น โมทุกมันโมสุมันโมโคตรมันบมลมันโมลมานอยู่เสื่ยเสยเป็นอึ่ง okay มันจิตเป็นอุเปฆาถ้าอุเปฆานั่นวางเสยเขาได้ไปวางเสยใกล้ขึ้นเรื่งกัะบบไล้ควรไปกินข้าวนากระบบไล้อันวางเสยเปียกอันวางเสยเปียกโมทูกคาสอนของพระเจ้า <Jeju> <Republic> ให้เขาเข้าใจอย่างดี่เลยอัจิตวางเสยจิตเป็นอุเปขามันมีอยู่แล้วเลยเขาบอกเข้าใจเสยเสยดีเลยแล้วไปหาโทสะโมหาโลภะอันมันมีอยู่แล้วเขาจิตไปหาให้ยัง เพียงเขามีสติกับเข้ามารูโตเฮาเนี่ยอมารูโตเฮาเนี่ยมาศึกษาโตเฮาเนี่ยเมื่อเอามาดูโตเฮาก็เห็นโตเฮาเสนว่าเขานงอยู่นี่เน๊ะเขาเเวอยู่นี่นี่ก็เห็นเท่าของมันมีอยู่นี่เด็ดปันเนี้ยันนี้มันหายใจเข้าอาจเจ้าก็เห็นกระอู้เสนว่าปันนี้ใจมันคิดได้ปันเนี่ยก็เห็นเสนว่าใจเขาเด็ดตัวใจแท้ๆนั้นมันปุ่นี่มีคมโกดปุ่นี่มีคมโลบปุ่นี่คมหลง อารมณ์โกรธอามโลภอามหลงเกิดขึ้นเนื่องจากเอาวิเห็นใจตัวคิดท่านเน้งพอได้คิดวูบขึ้นมามันมาแทรกอารมณมโกรธอามโลภอามณ์หลงมีทวนได้พอออกไม่ออกได้เพื่อนที่สูตรสมา น, นิคันว่าอย้างิี่ว่าพดเกินไปแล้วนะเว้ยหนุ่มกัจจวังครับว่าญาติแล้วของวายของซื้อๆได้เนี่ยคนตั้งใจว่าของซื้อว่าไดน้อยดิเนี่ยเพื่อว่าจับติปฏิบัติลดนักคนนี้่ important มันกลับเข้ามาดูจิตดูใจเฮานี่คันว่าดูจิตดูใจโอ้ยตัวที่ขดูยี่แล้วหล่ะมันมันบวมแมนอันดูมันฮู้มันฮู้คิดซื้อเขาบ่เคยฮู้ต้นตอของความคิดมันคิดขึ้นมาวูบเดียวเขาบ่เคยเห็นจากเธออันนี้แหละทวนกระแสะของนามอ่ะมันคิดขึ้นมาวูบเดียวเขาเลยเฮ็ไปตามความคิด น, นั้นลดเฮ็ดยับย้อยรูกเปนบักทีห้ากินมึงเอ้ยเนี่ย อีกห้ากิ่งหนึ่งเลยหนึ่งวายังเทพโตเขานี่เวายากอะเขามันบูมุจักหน้าทีญาพ่อคือการบู้จักหน้าทีอันนี้ความจริงแหะเนี่ยพระาบริจาพบุญสอนให้บูมจักหน้าทีพันบริจาสอนว่าให้ป่าผัวป่ า, ปาเมียไปบวชพันบริจาสอนแบบนั้นอันคนที่มาบวชนี่อันนี้จีมหาว่าเรื่องธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าซื่อนี่ใช่ผ้ที่ได้ยินท่านสอนนี่ยังมีควมบีเมียได้เป็นวาอย่างสันนี่น คนมีพวกรีเมีมมันก็นทำการทำงานตามหน้าทีส่สัญญาแล้วเอาเข้าใจบลักพุทธาสนาเอังไปเพชีปัทนาแล้วก็บุกินเขาล่ะโอ้เฮียอย่างนั้นเอามันก็นกาานตายสัว่าคนเก่งจังเลยมันก็ต้องทำการทำงานตามหน้าที่ให้ถูกต้ อ, องเป็นพ่นนอเป็นแม่ต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของพ่อของแม่เป็นลูกต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำนัน เป็นตำลุ่นทหารเป็นอันใดก็ตามและต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของเขาแล้วโบดเดือดร้อนบ้านเขาก็เสิบดเดือดร้อนเมืองเขาก็เสิบดเดือดร้อนตลอดจนประเทศชาตินี่แหละเสียโบดเดือดร้อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ไทำการทำงานตามหน้าที่เขาทำอย่างเฮ็ดไปตามอารมณ์มุ่งเดียวตรงนั้นนี่ไม่เป็นอะไรอันนี้ขอให้พวกเขาจเจริญ พวกเฮาจเจริญปัญญาเบิ้งรู้ข่มจิตมันเป็นยังไงเแท้มันคิดมึอนจากเครือเห็จะเครือพวกมคิดจ้ะโมเห็นแล้วผมก็ได้เบืจองเคือนี้เบื้งแต่ลูกแต่หลานพุ่นเนี่ยเบื้งแต่ไอแต่สวนพุ่นเนี่ยคนเฮามันเป็นจึงวามันยุ่วด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกทําไมจึงมาทุกข์วะนัน มันหัวหนา en la pato แคโทซาโมหะโลพากำจักได้จริงๆรับรองได้ถ้ามีสิแล้วเขากมีสิทิเ์เ่ตลอดถาสององค์นี้นี่บางทีกำขูค่คือคมีมบอรับคืมีบอรับนี่ที่มีสิเนี่ยก็มีสมมติฐานสิทสังคมซื้ออันแท้ๆอันเนี้ยว่าให้ฟังเนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกำจัด ก, กิงงเลยาง่าไปเลยขัสมาธิก็แล้วแต่นั้นัดธรรมาบ่ลนนึงเจนว่าแอลแข็งเป็นคนหลัะ อันนั้กับบ่อมีนเมน้อยบ่อเมีนหลายอันนั่งกัจากกิจยังกลางเลยเ้าพอจะเป็นน้ำขมสงบอยู่ในอันนะอันนั้งสงบแบดน้ำแข็งบ่อเม่นสงบน้ำใสน้ำาหดน้ำสะอาดแท้ๆอันนั้นน้ำแข็งไม่บุจะเห็นว่น้ำแข็งโรวงน้ำแข็งเขามีเครื่องวิทยาศาสตร์เขาไปทำให้น้ำธรรมดาเนี่ยเขาเอาไปทำให้เป็นก้อนน้ำแข็งขึ้นห้อห้อนเขาไปกินน้าแข็ง ยิ่งเราไปถึงท้องอันแรกบุธังเนวนั้นนันทอนคือหมารถนังเคีงมันเป็นพิษอันนั้นเป็นนั่งสมาธิย้นกับเมื่อนั่งย้อนกับส ง, งบริงกันบ้านงคนว่ายฝังและประทุบมงว่าจับกูบอกเสร็จไปไหวพิมในบนี้ยูนโมว่าได้ดีบันนั่อ น, น, นอันมีคมโคตคมโลกคมหลงขึ้นแลนแต่เข้าถ้ำเข้าหมูเขา้าปาเข้าดงใส่หูแดงถึงไปกึให้เือกิงยังสัตตายคนนั้นไปอยู่ถ้ำกันเมมีละินยิ่ยหูธรรมะแท้ ญา่าไปเห็นสัน่งซั่นนัก็บวหา้ามอย่าพองเสื้อเนี้ยบหา้ามก็บขบวนจำได้จักคอรองให้มาเบิ่งจิตเบิ่งใจเขานี้นัางแขนในข้อใหญ่ขนาดสา่ ง, างเอาเป็นตากแดดตากลมไว้ลมพัดให้มันล่าลายเป็นหน้าเหมือนเดิมอันนับไปลักษาสินไปให้ทาแต่ทำกรรมฐานานั้นมนกันคันนี้พูด็หมาเว่าให้มันกับโกดคือเกาแล้วยังมีคมโกดคมโลดคมหลงงยู่มันจัด ก, กับ ว่ามันบ่แมนท ร, ระยะประชดให้เรื่องทําลายทุกอันนี้นี่คซื้อ น, นี่นะบ่ไม่ทุกบ่มีเงินบ่มีทองบ่ในจังสัน้นคนเกียดข้านมันที่มีเงินมีทองได้เบามันก็เป็นคนขยันขังแข็งสินวะขันตีควมอดทนนี่เอาวางกันต้องอดทนเนขเ็ดไทยเข็ดนาต้องพยายามเก็บน้อยประจบให้มากขึ้นมแต้เแล้วคนมีเงินมีเงินมันให้คนสะดวก น้อยบอเอาให้หลายๆเท่านั้นที่ซื้อนี่เนี่ยแต่คนมีเงิน 100, 000, 000, 000, ลอยล้านพันล้านยังมีความโกรธอยู่นี่คันว่าเงินมความสุขกัน <S <S พวกมียังผิดกันยังค้ายังตีกันอยู่นี่ปากกันขมีดี่พวกมีเงินหลายๆานก็นได้มันจีแม่นบ่อันนั้นน่ะมันพวแม่นคําสอนของพระปริจา้าเพ์่ำสอนให้เอาทําลายอันนี้พี่ต่างหากเรื่องนี้ที่ว่านี่ให้พิจารณาตัวเอง ซึ่งนีล้นี่ตอนระเบิดของคิดเขาเนี่ยมันไม่ของแทนนี่เขาเห็นอยู่นี่ผู้เลโกรธขึ้นว่าต่าง้างหัวเราแล้กับผ้ที่ตายแล้วเนี่ยอั น, น, นอจะทาเห็นกันหรอวะคนโกรธเป็นทุกข์โกรธกับเป็นทุกข์หัวเลาะหอไหเป็นทุกข์ท้งนั้นคนไทยก็หัวเป็นให้กับเป็น มันทุกหลยะอะไรเนี่ยทุกใหญ่เลยะมะเขาให้เขาจะว่าเขามีทุกจะทุกมีอะไรจว่าห้อมมาให้เลยแต่ทุกอะไรว่าทุกมือสีดำมันเห็ดง่ายมือสีดำถ้ามือสีเขามานานเห็นแต่เป็นวาสังขารดังนั้นเอาต้องมาเบิ่งผมคิดเท่านี้เบิ่งให้มันเห็นให้มันโอ้ยเข้าใจ เขาเป็นบอสโมันก็กินซื่อๆมีคนบกิเขาก็ตายสนุ่ะกินอย่างไรอาบน้ำเป็นบอโธ่หนคนน้อาป็นนามันห้องกับคุณอาบน้ำเป็นสน่ะคนนะอยากนอนเป็นบ่อ้าวอยากนอนคุณนอนสนว่ะพฤติกรรมอย่างไรเพิ่นไหวฟืนธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนทธสอนธรรมะไปกับธรรมชาติแต่ต้องทำการทางานตามหน้าที่ต่อนั้ซื่อๆดีนะเขามันต้เข้าใจหลักพุทธศาสนาในเดี๋ยวนี้ ตายคนแล้วมันกระ บ, บ่กใหญ่แล้วตึหัวโ ต, วตไกล้บนต้นโ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตกล้เลยกระบอกทองคนที่สาง่นเดียวปุ๊กครน่สาขีบได้เบ่งซะนะเงืงหางลายเอาอลุออ้นลุ้นโอซือดีนะใกล้นี่ตัวน้อยมันอยากเบ่งแล้วมันข้อใหญ่ประดนันไปจงใหญ่เนี่ยอันนี้แหละเขาบกหุจก่จักงโคำหนึ่งคำนวณเบื้องกระเป๋าเขาโบคำหนึน่นงคำนวณเบืองเบื้องบ้านเบื้องเมือเขาเค่ดนักอยากแค่ถ้ามันดีลืนบ้านเหลือเมืองคนลดยามเทียบทางกับผู้เขามีเงินร้อยเงินพัน เกิดขึ้นอันนั้นต่บนเรื่องเหมือนนรก น, นกอยู่ใสอันนี้พออเ่ยพอเม่เน่ยพอสอนมาพระบัทอยู่ในอกมันรกอยู่ในใจพันธิผ่านอยู่ที่ใจนี้เองเนี่ยอันนรกคือยังเนี่คือความว่าพอใจนั่นแหละมันฮอสมันฟังเขามันคิดอิจฉานิศยาเขาเขามีเงินไวเหมือนม้าน มาให้ฟังผู้ใที่เป็นตกนรกว่าสันญาญมพิบาลเอาหนังมาน่ามาจดซื้อไว้วะสันมันเหมิ่นนิจัยตายไปแล้วก็เอาหนังมาน่าไปคึงไปเรียกซื้อเรียกเสียงเป็นตกตัวมนุษโลกโรสันวันนี้ผู้ใดที่ไปเมืองสวรรค์นั่นเอากระดานทองคํามาบันทึกเทวดาเอามาบันทึกไว้ตายไปแล้วเอากระดานทองคํามาเรียกซื้อเอาแล้วก็ไปเมืองสวรรค์ว่าแต่เป็นไว้ให้ฟังพอเน่ยพอไว้ใฟังเล็กน้อยจังได้ยังไงกระดานทองคํานั้นเป็นยังไงกระห้องน้า bien, bien. น้ำสนวะกลับหัวเขาเลเบิ้งหายใจเข้าหายใจออกแล้วกลับหัวเขาเลเบิ้งจิตใจมันคิดพูดไหมหลัากนี้แม่ฟังเทศสันว่าฟังแล้วปฏิบัติทำไปน้ำสันวะอ่านปฏิบัตินั้นบ่แม่ที่มายกมือว่าบวกวะแบบซื่อๆนี่เลยอันนั้นมันเป็นวิธีการให้คนที่โมโหจักตัวเองให้มันเกิดปัญญาให้โมโจักตัวเองถ้าหมู้เจ้าฟังแล้วโอ้ยผนวชให้เขาเบิ้งจิตเบิ้งใจเขาหนี้วะหนี้แล้วเขาเบิ้งเคลื่อนเบิ้งไหวเขาหนี้ว่านี้ นี่สันวักมันคิดมาว้ย มาเศราขมโกดขมโรคขมหลงนี่แล้วพอ้ยฟูฮันเสื้อว่ายังไ ม, ม่ได้ทำบุญแม้แต่นิดเดียวทําไมว่าจาังสันสมมุติให้หมเจ้าฟังโมเจ้าปุกเงินหนังนึงไห ม, ไม่จ้างเหมือนเงินเป็นล้านพูดนะโมมีบุญตีจักน้อยแต่เงินนัน ง, งามโพดแล้วคนครัวขึ้นไปอยู่หันบนเนี่ยเป็นนอนคืนนึ่งสองคนกันตามเนี่ยเอาน้ามันเสื้อเพิงอัานี้เป็นทอกลาบเตอะเมื่อเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่คิดไม่เดียวนี่แม้เป็นไฟแล้วไปจุดเส้นน้ำมันเสื้อเผืงมันยิ้มไม้บ้านห่อ นตกมเจ้าเป็นนอนที่เทาบะจีเป็นไเปียกเมนบอ่ขันแดดออกไปนอนอยู่ที่เทาบะจีหอนบอเนี่ยอันนั้นแหละม่เจ้าทำบุญให้ขันนั้นมันได้ประโยชน์น้อยหรือบางทีอ่าวบุมีประโยชน์ได้นียนะันว่าจริงๆตามคนย่พอแล้วบุ้มีประโยชน์เอาบุเลอกหน้าขมโกนได้แล้วโอ้ยทําล้กมันเอาลูกโกทเดียวมัดปุ๊บไปโดนขมดีใจของท่านนั่นยังว่าขมดีใจกับใจดีมันคนละอันกันนี่นะขันว่าจบงทก็ตั้งใจฝังมูเจ้า เรียงบัตรทหาเป็นต่างๆฟังด้วยสติปัญญาเท่ๆเดยอย่า่งงนอนมู่เจ้ากัให้่พอวให้ังเลยง่วงลงนอกบได ก็เสียใจก็เลยหมดแล้วอ e <sh> <inaudible Beifall> ันดุันใดหมดแล้วคือเจ้าปลกบ้านขึ้นมาแล้วไฟไหม้แล้วมันหมดโลดมันหมดรถมันนางหมได้นอนห่ดได้เพื่อเอาปลุกมันนะไฟไหม้แล้วมันจะนอนได้ยังเป็นที่เทาด็เด็เป็นนอนที่เท่ามันกะหายสั้นสนุนวเนี่ยอันดุนั่นคือกันนั่นแล้วตอนนี้เอามาทํำข่มโกดข่มโลภเนี่ยไว้มันมีอยู่แล้วแบบนี้มันก็มีอยู่แล้วทำบุญมันก็ได้บุญด้แทบับบนี้เนี่ยว่มจริงข่มโกดข่มโลภข่มหลง มีจอเขาไม่ได้เบื้องซื่อเขาเบิ้นงแต่เขาจีเห็นอันนี้แล้วเป็นย่างเปรียบไปเอาพาไปฝนหินฝนเข้าฝนเขาฝนเข้ามันคมบางขึ้นอันนี้ก็อาศัยการฟังธรรมะก็คือการฟังพวกพันธว้า้ฟังซื่ออัะจะเป็นฟังอันผู้ที่เป็นตัวเขาฮัทมูจักเาจะเปฟังผู้มันตัวคนวะเนี่ยฐานบาทนึงได้เป็นเมืองสวรรค์ฐานสองบาทได้เป็นเมืองใส่หูมูจักแล้วฐานบาทหนึ่งได้ตอนนั้นตอนนี้โอ้ยเกิดเกิดเป็นฟังเบาจังหวะ ว่าวหนึ่งน่ะที่เอาผู้เดียวมันหมดแตเป็นยังบุญจะได้ผู้ใดเห็นยังอันนี้ตัวเองก็ยังโบมีบุญเรือแต่สอนพูดเอาบุญมาจีได้ยังไดอย่างพ่อรับรองว่าอย่างพ่อมีบุญเด่นวนนี้เด็กอย่างพ่อมีบุญนเทเเอามาให้มู่เจ้าก็ได้ลดบุญนะเน่บุญน่ะเอาว่าให้ฝังก็ไม่เอาให้เด้สอนซื้อนี่ได้เงี่ยกูไม่สอนว่าวสู่ฟังยี่ห็ใเอากระซาบุ้ตามผู้ใดแล้วจีวาจากไหนถ้าผู้เดียวมันบอกซื้อนี่ให้ไปให้เอาเองมาสั่นเนี่ย ใจเขาเนี่ยผู้ใดไปเห็นมันมันจะเป็นปั้นไป็นแตงมันได้บ่สใจจะ้มึงใจดีที่อยู่ตลอดไปเลยสันเปลีนบอสว่เป็ี่นได้หาบอเห็นมันเห็นมันจะเป็นเด็ดๆนี่หลักเสนนี่แหละเป็นว่าธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นตัดสรูปเป็นปตาอลาห์เป็นนิพพานมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนคนจะมาสอนมูสอนเพื่อนสอนคนนี่แหละเดินดินจินเขาเนี่ยเราก็เลยรู้โอ้ ข่มโบกข่มโบลกข่มหลงในเพลินอุเปกานีมันมีอยู่แล้วเดีกกูอย่างพวกผู้จักนาะแต่กี่พ่อโมมีค น, ว, นว้าวและก็จะมาอาศัยการฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงเป็นว่าการหาฟังธรรมายากไม่ออกพอออกพอวาซื่ อ, น, อๆๆนี่แหละโมซื่อเนี่นนยญาพ่อเป็นเนรแล้วก็มาพนเเจา้าหัุมบนได้เห็นเธอสิจักเถื่อนบนได้มองยังสจักเถื่อนมีแต่ว่า บบ้าน่งสองบ้านบอก 100, 100, 100, 100, อย น, น, นึ่งสองลอยได้ไปเกิดเมืองสว่างัายย้อเสียงเบุจัแล้วนึันเราเป็นนั่งยึ่ไปไหมฟ้าลมมังูเป็นบับรถโดดอุ้ตายซำมามันกลัวเข้ามาตกใจเสนอม่เจ้าเป็นปนั่งยุดยอดไม่คนได้บอกลองให้ฟ้าลมมังงูมก็ตกใจเสนอคนนี่มันส้นกับเรื่องของบมีทั้งนั้นเาเอาในตีก่อน ส, สดใสคนมี่ิเลสก็ดีใจขึ้นกับเพชรไปนำที่ซื้อ น, นี่เนนี้เข้าใจไหมซะ ให้กลับมาดูจิตดูใจเขานี้โตจิตโตใจเขานี้ผู้อื่นทําให้โบได้อตโตชีวิตจิตใจของเขานั้นมันเป็นคือกันมืดกับพระโพธเจ้าพระโพธเจ้าก็มีคือกันเขานี้คนแค่จก็มีตาสองตามีหูสองหูมีขาสี่ดินน้ําไปดุกันมืดผู้ผิดขัดจักคนผู้หญิงมู่เจ้าเคได้ยินบ่เป็นภิกษุนีเป็นพระราหันนี่ผู้หญิงขมีคือกันมืดผู้สายเป็นภิกษุ เป็นพระได้ติปกับพรลานาก็เป็นได้เือกันมัน้ั่วติดกันทั้งมั้งัรเดี๋ยวรับรองได้อันนี้รับรองจริงจิงได้เงี้ยพอผมไม่กี่ว่าเว้าตัวมุมไม่ออกแต็มตัวตัวเฮียยังของเป็นประโยชน์มั้ยยังก็มอบความจริงเป็นอย่า ง, าางให้กันฟังผู้มีปัญญาเอาไปใส่รถเพิร์ลวานซี่วัหนหีม่ออกดอกมน้นี่ต้องอาศัยแสงแดดหรือแสงแดดหรือความอบอุ่นมันเย็นหรสัญญาบัต เมื่อดอกไม้นี่ตั้งจุ่มเต็มที่มาแล้วแดดออกมาแล้วเมื่อแรงมันเจ็นดอกไม้ก็ป่านโดดอันมุ่งไม่ออกพอออกนี่ก็คือการ น, นั้นแล้วมุ่งผ่ามุ่นี่นี่ก็ได้เพราะดอกไม้คือคนนี่แหละอ่าศัยการฟังสะก้อนเป็นว่าจะวันยาอ่านหาวฟังธรรมะผู้ที่จีนมาเว่าให้ฟังซื่อๆแนตะ่ยาเป็นปญญว่ายากผมเป็นยาผมไม่ออกเอาคำยามาไว้ฝังหน่อยหนึ่งไม่ออกเป็นผู้หญิงตั้งทองขึ้นมา พระทเกิดซ้ำลูกบางคนในสองเดือนสามเดแท้งออกไปตายแล้วพวกมันวัะเด็กคนจ้อยสัเนี่ยไม่ยากไปนั้นแหละบาคนเกิดมาได้มือเนื่งสองมือตายส้ำปุงจัเปียดผู้ืนซ้ำเนี่ยบางคนเป็นนุ่มเป็นสาวตายก็มีพรพุทได้เขาว่าต้องทซ้ำเนี่ยพระท้าพูกแกในคืนกันอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายก็มีจานวนมาแล้วยังพวเคยศึกษาชีวิตตัวเองเป็นอย่างยังพวศึกษานะายากกว่านี้อีกไห นี่เมื่อหาวันตายแต่เฮานี่นั่งอยู่นี่บนนิมนตายคิดไปหาฟังพระมา่ไหว้ฟังซื่อๆนั้นจริงๆนะย่างได้ไหมออกเบาซื่อๆนี่เนี่ยคนเป็นเมาตัวได้เนี่ยน้อยคนได้กี่่อแบนย่าพอนี่ใครว่านน้อยคนได้เตื้อพุ้นละให้วานเธไปจำนวนร้อยได้กี่มีเ่าจากศิษนึ้นยานผมมีถึงคุณซําเทเมสอยู่นี้เนี่ยเออมีจะี่ยวเหนืออื่นพวกนี้นี่แหละการหาฟังธรรมะสัตตะบุลนี่หลัที่สุด เมื่อมีโมเจ้าบุษันตานยอย่างพ่อขบันต์ตายเถิดลองให้ฝันตั้งใจตัดต้นชีวิตใหม่บอกอูกบอกหลัดสิ่งที่สมมุติอยากเป็นทิ้งแต่ว่าอยากไปติดตอนความจริงแล้วมู่เจ้าต้องมาศึกษาลงไปทีต้นต่อของชีวิตจิตใจเขานี้เมื่อเราเห็นจิตเอ็ใจเขาเมื่อใดเมื่อนั่งเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นวาให้พระบักคับเรียกว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเล้าันผู้ใดไม่เห็นทำผู้นั้นไม่เห็นเล้า จะจับซาจีวอนหรือนี่มือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมเหมือนั้นคันเห็นธรรมครูบาผู้สอนก็ต้องไปเห็นสีเรืองเรืองเบาเห็นเทวดาเบาเห็นพี่เบาเห็นลูกแก้วเบาเห็นพระพุทธรูปเบาเนี่ยอะนนั้นไปอีกเต็มหลังอันนั้น่ะคนจังสั้นมาสอนมาที่เห็นข่มชิงอยาเกอเดืเห็นทรรก็คือเห็นโตเฮานี่สำหรับโตเฮานี่ยเป็นธรรมมากเพื่อจะว่าทําดีมันดีทํามซัวมันซัวว่าือนน เขาคิดดีมันดีคิดส่วนมันสวโตัเขาเนี่เป็นธรรมะเขาเคยว่าว่ทําทดีๆเนี่ยถ้าธรรมดีๆไม่ผีเลยมันทำให้เขาเป็นตัวเขาจนทาเอาอเลขเด็ดทําให้เขายาังไปซ่อนหาธรรมะสี่งใดอีกเติมแต่คนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นธรรมะฮะยิ่ไปว่าจังไหนทําเป็นโร ก, กระบาลคุ้มครองโลกสองอย่า ง, างนีที่คมน่าอายเก่ใจโอด ต, ตับคมเกลียวต่อบาปคำเนี่ยโกกรกบาลสองอย่างไม่ยังยกกันรักษา โลกา น, นี้แล้วขึ้นรูปเป้นสื่อเธหนึ่งแล้วไป็ใจก็กเห็นเหตุ น, นั่นเห็นโลกสองอย่างผมไม่ได้ไปว่าตามตันึ่งสื่อเขได้ยังพอเว่าอันน้นปล่อยเป็นเบาซะกเป็นเหี้ยนแล้ว่็เป็นเบาซักทำเป็นโรกกระบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเล น, นึ่งเห็นที่ผม น, น, น่าหาเก้ดใจยิ่งสให้ระหายต่อใจผู้นีน้เพิ่มระหายต้อการทาการคกันกี ต, ตื้มมาสิโนาบ้ามัเกงกลัวต่อบาปกรรมบ้าทั้นมันมียู่ใส่บ้าคือเขาเห็นกิจเห็นใจเขานี่ให้เขาใหญ่ยังสั ผู้ใดบ่เห็นจิตเห็นใจตัวเองนั่นทำบุญอยู่กระทำสร้างผูหันซื่อว่าอย่างบ่ได้เข้าใ้ตักพุทธศาสนายังก็ไม่บุญในพุทธศาสนาผู้ใดที่บ่ทำบุญกระทำสร้างบเข้าวันบ่ฟังธรรมกระทำถ้ามาดูจิตดูใจตัวเองแล้วผู้หันเนี่ยเข้าใ้พุทธศาสนาเข้าใ้คำสอนของพระพิจาวทำไมจึงว่าจังสั้นยุบผมก็ได้ยินเนีพระเจ้าตัด จิตใจหมดสอาดสว่างสงบสนต์สาดคือหยั่งโอสะอาดกับสว่าตัวจชีวิตจิตใจของนั้นมันไม่ได้สกปรกดอกมันเป็นปกติอยู่แล้วเน่ยสะอาดสว่างคือหยั่งยี่คือเอาจุดไฟสองเล่มเมื่อกี้ดีเลยเขาเห็นอยู่คุณไม่ไฟอันนั้นเนี่ยไอันนี้เป็นว่าเอินอินทรีเอิญปัญญาเห็นจิตเห็นใจคุณนี้เป็นว่าเอินสว่างสงบกับเป็นว่าเศราแล้วพุทธิจ็ตไม่ตายแต่ให้ไปถอดพุทธิชีวะถึงกัว่าไปถอนี่ก็สงบกับปว่าหยุดสนวะอันนี้เขาพูดหยุดได้ดีเลย ไปคดียุกับปว่าระาประปุฏก็ได้นี่มันจุดได้บ้างสินนะไปได้ปัิมาผิดกันคือเก้าลูกเหนียวยังมาเทียบก็คือเก้าเนี่ยยั ง, ม, ยง 9, มาป้อยมาด่านกั็คือเก้ายังแค่มากตุนยาคือเก้าอยังลิ่งเนื้อริ่งไทยคือเก้ายินเล้าค้าหัวข้าวเลยคือเก้าไม่จินแม้ที่ปัึกษาจังใดสินที่ปัึกษาไปว่าเห็นแจ้งรู้จริงจีย่าพ่อไปปฏิบัติเรื่องนี้เลยย่าพอติดบุรีนะ่ะจุดยากระป๋องเขานั่นนะย่าพอข้าไปเวียงจันเนี่ย เสื้อ่ากกระป๋องกระป๋องคือกระป๋องข้าเปล่นอนึงก่อนกระป๋องนึงมาสุบยาให่คนตายไปไกลๆนี่ใครพวกมียาซุบอะ่ะมันเชือมีแหงคุณวามันเป็นปัญนั่นละ่ะนี่มันพวเห็นทุกกะปัญญาพ่อมัเจริญนีอย่างพ่อหุ่จักระโทโฮกิเลียนที่มันใส่กุปปา น, นีน็ดพกนี่มันบังคับกุปปา น, นีน็อดอย่พอเห็นทุกระเลิกตั้งแต่เบื้องนั้นแล้วคนนี่ว่าเจ้าของสือศาสนาพูดนั้นีไิเธอตายไมยังว่าออกซื่อนี่นะ ทุกท่าเดียวผู้รู้ผู้เตืน่นผู้บกบางต่างหากซื้อเนี่ยเขารู้บอสอันนี้รู้นี่กัรู้เนี่ยเพราะว่า 神话。 งอถามว่าัไปชมงสวรรค์เป็นเทวดาแล้วไปยึดตรงกันเป็นังเี้ยวหรือผมเ่าให้ฟังเยนเะมืองสวรรคมันมีคุณที่ขงานมันได้ว่า์ันไว้ให้ฟังโอ้เมืองสวรรค์ น, นั่นได้กินของทิพย์เสี้ยวเว่า์สันอยากได้เสืออยากได้ผ้าอยากได้เครื่องไฟเมรีสวยปีิพยเธอโอ้ตอนที่บ้านฟังดกมันนึกเอ า, าทททเวรอร์สัน่าทุกเสี้ยวเวอร์สันจุนี้บุรีลึกได้ิพปีนั่งวอร์สันบุ้ยเฟื่อข้างเฟื่อเอวเต็มอยู่เรันมันขี้มันเสียวว่า์ัน ไปเมืองสบังคูเนี้ยดีที่เ um ียวสันมมีบทเต็มทีถามผู้ียวเียวเมือสะบัดมีของทีมีขี้กินบอันจุดมือสบังที่มีขี้ีอย่างนอกว่ากูไปแต่เมืองใดแล้วให้ผมมีขี้กูกินวะสันอันนี้ก็คือการคนนี่ส่วนให้เริ่ลำกผมส้วมันเลิ่บ่อใดมันเป็นเรา่องจริงจริงอันเนี้ยลองส่วนกัรเริ่ลำกผส้วมม่โอ๊ยบัเริมแล้วตัวนี่ไม่มีแพผิดทั้งหมมืองว่าสิป็นคือกับนอดนั่นและเมือสบังมันมีขี้ให้กิน พ่อมันกินของทิพคนมันก็มีทุกข์มันเป็นอย่างไรอันผู้อยู่กับขี้มันกินขี้มันคือเอาขี้นั่เป็นของสุขคนนั้นจิว่าอยู่โดยทุกข์กินโดยทุกข์นั่งโดยทุกข์นอนโดยทุกข์ไปใสมาใส่มีแต่ทุกข์พาไปรุนรุดพระพุทธเจ้าไปจึงสงสารเมตตาเอื้อเฟื้อเอาใจใส่อดสานําไปบอกให้ฟังมันโบนเม่นมันโบนเม้นอันนั้นความสุขของเจ้ามันสุขจังแบบเน่าเหม็นๆนั่นมันบนเม่นท์ไง บทแม่กตังบบสแนบหมู่เนี่เป็นอะ่นคนทำวยูวมันบุอยากเลิกลาอมซัวเลิกลคนซัวเนี่ยมันจะเป็นจนัเ จ, จ้ากดีสวรรคนี่ยพระพระเจ้ามีเรื่องอย่างนี้นะโมจักก็เลิกลาแได้อมมืเ น, นี่ยเาเป็นพระพุทธเจ้า้อยสวรรค์อยนีเนี่ยพระเจ้าไงเป็นสาวธธากุทธานำไปหาพระพเจ้าพระเจ้าอยู่ใสคือจิต